เชาวหลังจากเราทำมาสวดมนต์ก็ฟังธรรมกคาเราทบทวนสิ่งที่เราศึกษาร่วมกันมาส3งสมวันที่เรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตจิตใจของเราเองคือมนุษย์ทุกคนนี้เกิดมาได้รับพร อ, อันนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว คือความเป็นผู้ไม่มีทุกข์มีทุกข์ก็มีความไม่มีทุกข์มีมืดก็มีสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืน <c oughs> เพียงแ่ว่ามนุษย์เราไม่มีอยู่ในโสมนัสสิการไม่ศึกษาโดยแยบคาย <c oughs> ก็เลยไม่รู้จักสภาวะธรรมที่ทำให้จิตตัวเองพ้นทุกข์ออกจากความมืดไปสู่ความสว่าง มนุษย์ทั้งหลายก็เลยหลงเวียนวนจมปลักอยู่ในความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ความมืดความบอดของจักสุขตัวเองเพียงแค่มีไฟฟ้าในตาพลามัวมองไม่เห็นเลยไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมนุษย์ก็เลยเหมือนสัตว์ แต่และตัววิ่งแสวงหาทางออกให้กับชีวิตเราก็เกิดการสร้างกลไกอะไรขึ้นมามากมายหลากหลายจนทั้งว่าโรคนี้กายโลคนี้กลายเป็นดินแดนในความรกนะพราะเราเป็นสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาคําตอบแสวงหาค้นทางสว่างให้กับชีวิตตัวเอง แต่แล้วจนแล้วจนรอดตั้งแต่เกิดมาหลายพันปีหรือสองสามล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ก็ยังออกไม่ได้เพราะคำตอบมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราศึกษานอกตัวแล้วิ่งตามกลไกลของเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่วมาได้ศึกษาที่เหตุของทุก เราศึกษาที่ต้นของความรู้สึกเราจะเห็นว่าทุกมันเกิดได้ยังไงมันดับได้ยังไงมันมาจากไหนแต่ของเราตั้งหายวิ่งตามความคิดความอยากไปเรื่อยเราคิดอะไรเราก็วิ่งตามความคิดไปเราอยากอะไรก็วิ่งตามความอยากไปเราเป็นการสนองตอบเวทนาซึ่งส่วนมากไม่ใช่ความจริง มันเป็นความอยากเป็นอุปาทานถ้าเวทนาที่บริสุทธิ์มันก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาสนองตอบเวทนาเวลามันหิวมันก็หากินกินจบก็จบแต่มนุษย์มีการสะสมมีการเก็บมีการคิดเคียดแค้นพยาบาททิ้งชังสะสมทุกอย่างตั้งแต่อารมณ์ แต่อย่างไรก็ตามที่เป็นหนึ่งนั้นแหละจึงที่ว่าเป็นมนุษย์คืมมม็มีอารมณ์มีอารมณ์รักอารมชังสมองเขาสร้างมาให้มันสามารถคิดได้จําได้ปรุงแต่งได้อะไรมันดีๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างสติขึ้นมาสติเป็นตัวกําจัดความคิดความปรุงแต่งมนุษย์ ใช้เพียงแต่เหตุผลเหตุผลก็อยู่กับโลกิยาปัญญาไม่ใช่โลกุตระเรามีเหตุผลคอยกำกับชีวิตเรามันก็เป็นเรื่องของสังคมนะเหตุผลเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดดับในจิตได้เหตุผลเนการสแสวงหาผลนะทางอยู่รอด กรมหลักของสังคมสมมุติที่เรามีเหตุผลเพื่อกามเพื่อกินเพื่อเกียรติเหตุผลเราเพื่อสวยงาอ า, าหารแสวงหาที่อยู่เหตุผลในการกําจัดความกลัวในความมีศักิ์ศรีมีอัตราตัวตนที่เข้ามา แต่ไม่ได้เหตุผลที่เป็นไปเพื่อการสลายความคิดความปรุงแต่งเหตุผลที่เป็นไปเพื่อการดับทุกโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้มีเหตุผลแบบนั้นงั้นปัญญาแบบนั้นเราจึงไม่มีผมมีปัญญาต่างคนก็ต่างมีความอยากต่างคนก็ต่างแสวงหาเพราะหามากขึ้นมากขึ้นโลกนี้ มีวัตถุดิบไม่มีย่งพอต่อการสนองตอบความอยากคนคนมันเกิดมากขึ้นมาขึ้นนะเราก็เอาใช้วัตถุดิบจากโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้โลกผอมลงผอมลงอะไม่มีอะไรจะให้กับเรามันก็นกลายเป็นโลคร้อนโลกเสื่อมขึ้นมาดีนะจริงๆพวกเราเองไม่มีสัมมาทิฏฐิ จริงถ้าปฏิบัติรมเนี่ยเพียงแค่มีสมาทิฏฐิโดยสมบูรณ์แบบเราก็จะกลายเป็นผู้พ้นทุกเป็นพระอรหันต์ดับทุกได้คือเป็นผู้ไม่มีทุกแล้วสมมาทิฏฐิคือเห็นกายเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคทุกคืออะไรเราจะเห็นมันชัดเหตุเกิดทุกคืออะไร วิธีการดับทุกข์คืออะไรและทุกที่มันดับถาวรเป็นยังไงที่เรามาปฏิบัติทำเนี่ยเราต้องการเห็นความดับทุก์มันเป็นยังไงความดับทุกที่เกิดจากสติเกิดจากปัญญาเกิดจากการสร้างมรรคกรรมหลักพุทธศาสนาอย่างการเจริญสติแล้วเราเข้าไปดับความทุกทุกที่เกิดจากความคิดความปรุงแต่ง ถ้าสมมติว่าเราทําตามความรู้สึกอันนั้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนได้หลายเรื่องเป็นพันเรื่องวันวั น, ว น, วนหนึ่งเราคิดมากแต่ที่เราดับดับความคิดอันนั้นดับความปรุงแต่งอันนั้นถ้าเราพยายามหน่อยมีความเพียรพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดับได้จริงๆเนี่ยความคิดความปรุงแต่งทั้งหลายถูกสลายหายไปได้ะถึงแม้จะมี ภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองเล็ๆๆกๆน้อยๆก็ตามก็ยังเป็นเชื้อนะเชื้ออย่างปัญญาที่เราสามารถไปสารต่อได้แล้วเห็นว่าภาวะนี่โรดน้อยๆนี่มันเริ่มเกิดขึ้นในใจเรานี่โรดคือความดับเพียงแค่ความง่วงนอ น, นถ้าเราดับไม่ได้แล้วจะงุดหงิออดอึดอัด เราอยากแสวงหารูปแบบของการนอนแสวงหาเครื่องอยู่เครื่องใช้ในการนอนแสวงหาอะไรรวมทั้งตัวโทสะก็จะเกิดขึ้นมามากมายหลากหลายทีนี้ถ้าเราเป็นคนเดียวขนาดนี้ถ้าหลายคนเป็นแนละ้วมันจะเป็นยังไงแต่เวลาเราเจริญสติเราดับได้เอา้าความง่วงมันดับได้เองเนะ่ยถ้าเรามีสติเนี่ยดับได้ในจานองเดียวกัน ตัวความคิดความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาเราก็ดับได้อุปทานความเยึดติดความเครียดแค้นพยาบาทปฏิฆาหุนิษให้คนนั่นคนนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเกิดการฆ่าการล้างแค้นการอะไรขึ้นมาจิตมันฝังมันอาคาดพยาบาทเราก็จะรู้เออมันอยู่ที่จิตนะเวลาเราจเจริญสติเรา ระลึกรู้ต่อเนื่องเราสังเกต ด, ดูเราสลายหายไปได้ไอตัวเนี่ยภาวะที่จิตมันว่างมันสงบมันเยือกเย็นเป็นอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่ในใจคนมันเกิดมันดับมันหายไปได้สัมมัสสญาณเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นได้เห็นไตรลักษณ์ในรูปในนาม เกิดดับได้ทุกอย่างเป็นอนิจจังเราก็เคยได้ยินมาทุกอย่างเป็นทุกขังถ้าเรายึดจะทุกข์มันขังตลอดเลยแต่ถ้าเราจเจริญสติได้ระดับหนึ่งมันจะเป็นอนิจจังอนิจจังคือมันวิเที่ยงแล้วมันดับไวอ่าถ้าสติเราดีเราจะสังเกตนะเมื่อไหร่ที่สติดีเราจะเห็นอนิจจัง เมื่อที่เรามาปฏิบัติทำทีแรกจเจริญสติระลึรกรู้เราจะรู้สึกว่าทุกขังทุกขังนะขังใจเราเราออกไม่ได้เลยเดินจูกรมก็ง่วงทั้งวันเดินจูงกรมปวดคิดทางวันลหลายๆคนยังถูกทุกมันขังแต่เราก็พอใจยินดีที่เจาะกลับไปให้ทุกมันขังเหมือนเดิมนะเราจะกรบเกลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เอาเรื่องนั้นมากรบเกลื่อนเรื่องนี้เรื่องนี้มากรบเกลือ่อนนั้นนั้นหาว่า เป็นความจําเป็นําหแบบชีวิตแต่เราทั้งหลายก็หารู้ไหมว่าเราถูกขังอยู่ในทุกเราอยู่ในความมืดเนะี่ยเราออกไม่ได้เราปฏิบัติธรรมเราจึงรู้ว่าเราถูกขังแลหลายคนก็หนีไม่อยากถูกทุกข์มันขังแต่ที่จริงมันขังอยู่ที่ใจนะไม่ไม่ใช่ขังในอาศรมวงสนิทนี้ไม่ได้ขังอยู่ที่บ้านขังอยู่ที่ไหน แต่จิต ท, ที่ถูกขังด้วยกิเลสตัณหาอันนี้มันได้ได้ยิ่งกว่าอย่างอื่นเนะมื่อไหร่เรารู้หลักจากว่าทุกมันขังนะเนี่ยเราก็ทําความเพียรเพียรเพื่อจะออกออกจากความห่วงความเงาความเบือ่อความหนายออกจากการมราคาออกจากโลภโทสะหมดุดหินตือแดดขัดเคืองซึ่งรวมเรียกว่าทุกอยู่ในใจเรานะโดยการสร้างสติ และเล็กรู้เฝ้าดูอย่างต่อเนื่องเฉยกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยผ่านเพราะความทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรก็จะอุปาทานจริงๆความทุกข์มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสัพเพ昙มาอนัตตาทําทั้งหลายทั้งปวงมันไม่มันเป็นอนัตตาเกิดแล้วมันก็ดับแต่เพราะว่าอุปาทาน ในขันทั้งห้าเป็นตัวทุกอุปทานในขันอุปทานในขันห้าอุปทานในรูปในเวทนาสัญญาเสื่งขานวิญญาณอุปทานสี่ในขันห้าจิตของเราที่มันมีเนี่ยอุปทานแปลว่าความยึดติดที่มันยึดติดมันเป็นอุปทานเพราะอะไรเพราะว่ามันหลงหลงประเด็นชีวิตเนะี่ยอุปทานในกาหรือว่ากาโมปทานอุปท า, านในทิฏฐิในความคิดความเห็น นะความรู้สึกนึกคิดเราเนี่ยที่มันคิดขึ้นมาเราคิดอะไรเรามีความเห็นเรื่องไหนเนี่ยเราจะไปยึดมันเราวางไม่เป็นเราคิดว่าเราคิดถูกแต่ความคิดที่เราไปยึดเนี่ยจริงความคิดคิดได้แต่ยึดเมื่อไหร่เปทุกข์เมื่อนั้นคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเราเราก็เป็นทุกข์กับเขาทุกข์กับใจเรา เ, เราไม่ปล่อยไม่วาง จังเกียดูดีเราขัดแย้งกับคนโน้นคนนี้ที่ทางานโน้นนี่เพราะอะไรเพาขัดแย้งทางด้านทิฏฐินะความรู้สึกมันเกิดขึ้นมันมีความอยากตอบสนองทางด้าร่างกายกายที่เรียกว่าการการมุข ป, ประทานที่ถูกประทานยิดติดทางเรื่องทิฏฐิใจเห็นเหมือนเหมือนเราไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ใครต้องเอาอย่างนี้ถ้าไม่เอาอย่างนี้เราก็เลิกลาออกหนีไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนั้นที่ถูกประทาน อัตวาทุปาทานนั่นหนึ่งคือความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนกูดีกูเก่งกูเป็นกูมีศักดิ์ศรีกูอะไรทั้งๆสารพัดใครมาแตะต้องไม่ได้รวมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายเราด้วยตัวเราบ้านเราเรือนเราของเราอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเราเราเนี่ยเรายึดมั่นหรือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นนางการเป็นวมังการเราสลัดเราปล่อยละวางไม่ได้ มีใครคิดขัดแย้งเราก็เกิดการแตกหักขึ้นมาทันทีเราไม่ยอมคนไม่ยอมใครคนนั้นเป็นผู้น้อยกว่าเราคนนี้เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะจะมาใช้เราไม่ได้จะมาบอกจะมาสั่งเราไม่ได้จะมาเอาของของเราไปใช้โดยไม่ขอไม่จแตนะน่นัไม่นูนนี่ไม่ได้มันเป็นอัตตาแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะอันนีนะ้เรื่องหนึ่งคือเรา สีและพระตุปาฐานคือความยึดติดในความงมงายในประเพณีในพิธีกรรมในความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงเราเชื่อว่าอันนั้นเชื่อว่าอันนี้ต้องทำแบบโน้นต้องทำแบบนี้นนจิตมันจึงจะบริสุทธิ์ได้จึงจะพ้นทุกข์ได้ตั้งแต่เริ่มจากวัตถุหยับหยาบถ้าเป็นวัตถุห ย, ยาบหยาก็เป็นเป็นกรามเป็นทิฏฐิเป็นอัตตาแต่ถ้าเป็นพิธีกรรม ความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าศีลับประตูปาทานความยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่งมงายในวิธีการปฏิบัติการศึกษาการเรียนรู้ที่งมงายที่ไม่เกิดสติเกิดไปเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ไม่เป็นไปเพื่อกันรู้แจ้งเนี่ยมันจะเป็นความงมงายทันที อย่างเรามาเจริญสติพอรู้สึกตัวทุกพร้อมทำมันต่อเนื่องแล้วเกิดการแจ้งขึ้นมาเข้าใจทุกมันดับหายไปมันกลายเป็นภาวะแห่งอนัตตาในน้อยปรากฏกขึ้นในจิตเห็นแต่ลักอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาในอุปาทานทั้งสีที่ปรากฏในขันห้านี้ได้เมื่อไรเนี่ยตรงนั้นแหละเราจะมีความมั่นใจเราจะไม่เชื่ออะไรเลยในโลกเนี่ย ที่เกี่ยวกับการดับทุกข์เราจะเชื่อตัวรู้อันี้โอ้จริงๆทุกคนเนี่ยต้องการดับทุกข์ต้องการแสวงหาตัวรู้ต้องการแสวงหาพุทธพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาลต้องการแสวงหาพุทธสภาวะอันนี้แต่เราพูดนอกประเด็นไปเราไปไกลตัวเกินไปหรือปฏิบัติธรรมเจริญสติเราก็ไม่เอาจริงเอาจังจนกระทั่งตัวรู้อันนี้ไม่สามารถที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่สามารถที่ทํางานได้ มันถูกกิเลสความคิดความเห็นอดีตอนาคตความปรุงแต่งอะไรทับถมมาจนทั้งว่าเรามาเปิดออกมาไม่ได้ไอตัวรู้เนี่ยเรามาปฏิบัติทำเราจะสังเกตว่ากว่าเราจะแกะตัวรู้นี่ออกได้ในความคิดมันทับไม่รู้กี่ชั้นการงานทับไม่รู้กี่ชั้นความม่วงทับไม่รู้กี่ชั้นธุรกิจหน้าที่อะไรทับถมมันจนยากที่จะเปิดออกแต่พอเราเปิดพลิกหงายเท่านั้นแหละตัวรู้มันโพรง่งมันตื่นสว่งวางเมื่อเรารู้ตันทีวันนี้คือสภาวะที่แก้ไขทุกข์เช่นชีวิตคน เราทั้งหลายชอบพูม ก, กันว่าให้มีสติให้มีสติแต่สติที่เราทั้งหลายมีเนี่ยมันอยู่ได้ในระดับสัญชตาตญาณมันไม่สามารถที่จะผันตัวเองขึ้นมาเป็นวิปาาัสนาญาณหรือเป็นปัญญาญาณได้มันจึงทํางานให้กับมนุษย์ไม่ได้มันจึงดับทุกข์ไม่ได้พอจะพาปฏิบัติเพื่อให้ได้อันนี้ตัวนี้จริงๆเราก็ไม่ได้เมือนเราไปหาเงินหาทอง ถ้าจะฝากธนาคารนี่ก็คิดร้อยละเป็นดอกเบีย้ยแต่เราก็ได้หบาทสิบาทมันจะออกดอกไหมมันออกไม่ได้ต้นไม้เขาว่าปีหนึ่งสองปีมันจะออกดอกออกผลเนี่ยต้องปลูกแต่เราก็รีบร้อนเร่งรีบมันสติที่เรามีเนี่ยเราก็อยู่ได้ในระดับสันชาตยานก็สติเป็นต้นกล้าต้นเบีย้ยเล็กๆน้อยๆไม่พอที่จะลงลึกลงหลุมมันไม่ได้โตขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ให้ดอกให้ผลกับชีวิตเรา เราไม่ได้บอกได้ผลไม่เกิดมาเกิดผลก็เรียกว่ามรรคผลนะสติมันไม่ได้เกิดระดับนั้นนั้นเราก็จะอยู่ในระดับที่สันชาตยานมันหิวแล้วก็หากินมันโกรธแล้วก็หาเรื่องโกรธมันงุนงิดแล้วก็หาสิ่งที่ระบายเราก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ตลอดเวลาธรรมะที่ทำให้คนต่างจากสัตว์เนี่ยคือสติสัมปจนิญะหรือปัญญาญานนีนน่ที่เราจะไม่เท่าไปในความคิดเนี่ย เราเหมือนหมาตัวหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเวลามันโกรธเราเดินไปใกลมันเห่าโวกขึ้นมาดีเลยมันเหมือนกันเวลาเราไปใกล้ใครใครทำให้โกรธเราโกรธทันทีอ่ะเวลาเราลักเราเกิดสัรชาติยานในการสื่พันเรื่องกามเรื่องอะไรล้วก็แสวงหามันเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่าดับสลายอันนี้ได้โอ้อันนี้เกิดขึ้นแล้วได้เห็นปุ๊บมันสายหายไปโอ้ภาวะของความดับทุบเป็นเรามีตัวนี้นี่เราจะทําให้คนต่างจากสัตว์ ถ้าเราต่างไม่ได้ท่า น, นพระพุทธองค์เนี่ยท่านไปรู้อันนี้ท่านจริงจริงว่าอาริยสัจอันนี้คือสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดในชีวิตของมนุษย์อริยรสัจสัจจะคือสิ่งที่มันประเสริฐทุกขสัจจะทุกเป็นสิงีต้องกําหนดรู้นะอย่าหนี้นะทุกเนี่ยทุกเป็นสิงที่ต้องกําหนดรู้แต่เราก็กําหนดรู้ดูมาเรื่อยๆดูที่จิตเราใจเราเนี่ยมันเป็นความคิดความปรุงแต่งดูแต่คนทั้งหลายก็ไป สอนสอนให้ดูกายกายมันเป็นทุกแบบนู้นแบบนี้เราดูจากข้างนอกมากไปเราไม่ได้ดูที่เหตุกระุกกิเลสตัณหาราคาไม่ได้เกิดจากกายนี้อันนี้จังไม่ได้เกิดจากกายนี้แต่เกิดที่จิตจิตเป็นตัวแปรปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอุปทานในขันธ์หน้าเกิดที่ใจว่าโดยโยปะทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุก อุปทานในขันอุปทานสี่ที่ปรากฏอยู่ในขันห้าเป็นตัวทุกข์ต่อในอนาคตการเนี่ยศา ส, สนาพุทธเนี่ยถ้าเลยห้าพันปีไปมันจะหมดมีอายุแค่ห้าพันปีจริงๆชีวิตเราเนี่ยถ้าปฏิบัติรมถ้าเราสลายดับอุปทานที่มันผูกพันในขันห้าได้ศา ส, สนาพุทธจะจบทันทีเลย จบตรงไหนจบตรงที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธคือการศึกษาพุทธะนี่จะจบกับเราเนี่ยเราไม่จะไปต้องมีศาสนาแล้วพอเราเข้าถึงสัจธรรมมันั้นแล้วเป็นพุทธก็ได้เป็นคิดก็ได้เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูเป็นแล้วแต่จะเป็นแล้วแต่สมมุติเป็นน่ะแต่ทุกมันดับไปแล้วเราเข้าถึงทุกศาสนาได้เพราะทุกศาสนาที่สแสวงหาสภาวะสัจจะอันนี้เฉยเฉยสภาวะที่มันไม่ทุกเนี่ย แต่คนมันไม่มีที่จะเข้าถึงเนี่ยนอกจากพระพุทธองค์ที่ท่านมาสอนและก็ป่าสาวกทั้งหลายที่สืบเนื่องกันมาจานถึงปัจจุบันนี้แต่เราศาสนาพุทธมันบวกกับประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็ผิดเพี้ยนไปเราไม่ได้หาแกศทำจริงจริงในสารโรปรมาสูตรเนี่ยเราเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาแก่นไม้แต่เราก็ได้เปลือกไม้เราก็ได้เพียงลาบชื่อเสียงอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอน คนต่างหลายต้างปวงจะแส ว, สวงหาแสวงหาทำเพื่อแสวงห า, าลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงเพราะนี่ถือว่าเป็นเทพนิกายแบบใดแบบหนึ่งจะแสวงหาปฏิบัติทำเพื่อไปทำการตอบโต้กับลัทธิอื่นนิกายอื่นบุคคลอื่นเป็นประประวาทะอันนี้ถือว่าไม่ใช่แก่นของพุทธศาสนานะไม่ได้ทำเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่ออะไรสักอย่าง แต่เพื่ อ, อาการหลุดพ้นแต่คนไม่ได้มองอันนั国の国の them, ้นไปปฏิบัติธรรมทุกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราไม่ได้ดูที่จิตว่าเราสามารถหลุดพ้นได้ไหมหลุดพ้นจากอะไรบ้างปฏิบัติครั้งเนี้ยหลุดพ้นจากความว่นวาได้ไหมหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายได้ไหมหลุดพ้นจากกิเลสอสุวาที่เราหมักหมมมานานๆเนี่ยแล้วหลุดออกได้ไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเราไปปฏิบัติเฉยๆเราปฏิบัติพอประเพณีพอย้อมใจเราให้สบายรู้สึกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดอะไรแล้วเกิดรสชาติกับชีวิตเป็นแฟชั่นเข้าปปฏิบัติเข้าปฏิบัติแต่เราไม่ได้มองในสัจธรรมจริงๆเราก็เลยได้แต่เปลือกได้แต่ใบได้แต่กับพีได้แต่อะไรกับบ้านนะแม้ผู้สอนเองก็ไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงไม่ได้เป็นจริงแล้วก็สอนเพื่ออะไรเพื่อลาบสักการะเสียงสรรเสริญเดินโยกันไปวัน แล้วเอาคำสอนพู้เยามาพูดมาตีแผ่เล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เผยแพ ร, แร่แก่นสอกแก่นคำสอนแต่จะอยู่ในระดับศีลธรรมจริยธรรมไปเรื่อยนั้นทำมาในพุทธศาสนาจึงไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ได้เพราะเราเข้าไม่ถึงแก่นธรรมนะไม่ถึงแก่นธรรมทุกวิธีการในประเทศไทยทุกสำนักจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสี แต่ใครบ้างที่เจตปฏิบัติตามสัจสติปฐานสี่อย่างพูด ว, ว่าถ้าแต่ตื่นนอนโดยทั้งหลับตาลงเนี่ยพยายามระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจทุกขณะที่มันนึกมันคิดมีสติระลึกรู้อยู่เราเอาจริงปานนั้นไหมปฏิบัติธรรมที่ไปแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยถ้าไม่จริงจังปานนั้นคิดหลือว่ากิเลสมันจะขยับได้มันไม่ขยับหลอกมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ดีขึ้นเพราะอะไร เพราะทุกมันไม่ได้สลายหายไปทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้เรากลัวทุกแล้วเราไปนั่งเฉยๆไม่เห็มันทุกซะเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ประเสริฐอริยสัจทุกขอริยสัจทุกเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะประเสริฐนะพยายามที่จะชี้ว่าประเสริฐแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันประเสริฐมันเป็นทุกห์ไงแล้วหลีหนีเนีเวลาไปปฏิบัติธรรเราต้องมีแอมีนวลมีนี่มีอะไรมากมายเครื่องของพวกห่วงเรื่องการกินการอยู่กินไม่ได้กินยากกินง่อย เราไม่เคยรู้เลยว่าทุกคืออะไรเราไปไปฏ่ดีกว่าท่เราก็อยากได้สบายอยากไปนิพานแต่เราก็เสียดายนรกแล้วเราเห็นสุขเห็นทุกอะไรยังไงเห็นอริยสัจเห็นสัจจะเห็นของจริงตรงไหนเราต้องปล่อยวางนะจิตมันมีหนึ่งขณะขณะเดียวดวงเดียวถ้าเราไปทำนี้มันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราเสียดายรูปรดกลิ่นเสียงอยู่เสียดายลาบยศสารเสริญอยู่ เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดการเห็นแจ้งเพราะตัวเห็นแจ้งเนี่ยคือมันต้องละสิ่งหนึ่งเพื่อไปหาสู่สิ่งหนึ่งเราอาจจะละเจ็วันหาวันสามวันต้องละจริงๆยอมทุกจริงๆยอมทุกยอมทุกความจริงความทุกข์ก็ไม่ได้อะไรอะเพียงแต่ว่าเรายอมปล่อยยอมยอมละยอมเลิกไอ้ความต้องการเรานะ่ออกเพราะไอ้ความต้องการนั่นนะคือตัณหาเนะ่เหตุให้เกิดทุกข์อยากในพบ กามาพบรูปกับพบรูปกับพบการ ม, า ม, า ม, ามาตัตหาภาวะทนาวิภาวะทนาอยากในกามอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแล้วอยากในความไม่อยากคือเบื่อหน่ายได้อะไรมาแล้วก็เบื่อสังเกตดิได้กามวันทีก็อยากเป็นอยากมีพอเป็นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปสิ่งซู ส, งสิ่งอื่นแต่ไม่ใช่ทิ้งเพื่อกลับมาอยู่กับตัวรู้สึกตัวเฉยเฉยไม่ได้เป็นแบบนั้นทันวันมืนหนึ่งถามว่าจิตแล้วเฉยได้กี่ครั้งกี่หน้าฬิกากี่นาทีพอเฉยหน่อยแล้วก็หาเรื่องคิดละ หาเรื่องคิดละมันก็เลยไม่มีพอกำลังที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นได้นะถ้าเรารู้จักเราเฝ้าดูทุกนะทุกคืออะไรเราดูจริงๆเนี่ยเราจะเห็นโอ้ทุกเป็ น, นีเนาะเห็นไหมเรามาอยู่กับทุกเนี่ยเราเดินไปเดินเอาเดินอยู่คนเดียวเน้ยท่านสังหลายสังเกตไหมศักยภาพของมนุษย์เนี่ยจะศึกษากรรมฐานจริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับหลับตา ไม่ใช่พูดโจมตีสํานักนั้นสํานักนี้อีกนะเนี่ยโดยศักยภาพของคุณเนี่ยเห็นไหมเวลาปล่อยลงสู่สนามกรรมฐานเนี่ยนี่คือศักยภาพของคุณจริงๆที่คุณไม่ต้องไปจําอาจารย์นั้นมาอาจารย์นี้มาเขาบอกว่าให้รู้สึกตัวหลอนตาก็สั่งบอกให้รู้สึกตัวสอนเนี่ยวิธีให้เอา้าเคลื่อนไหวมือนะเคลื่อนไหวเท้านะชีวิตประจําวันเธอนั่นแหละเธอทําไงยืนเดินนั่งนอน แล้วเราก็บอกว่าให้รู้สึกตัวนะเวลาเลือกเอาไม่มีคนเลือกวิธีนั่งหลับตาสักคนแค่วิธีนั่งสร้างจังหวะนี้คนก็ไม่เลือกแล้วเพราะอะไรเพราะรู้ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันสู้กับความง่วงไม่ได้ท่านทั้งหลายก็พากันเดินหน่อยไปนั่งก็หลับลุกมาเดินเดินดีกว่า ไม่จําเป็นต้องมีอาจารย์เลยมาสอนว่าต้องหลับตาไม่แบบนั้นแบบนี้ไม่เขาสอนแต่ท่านทั้งหลายไปที่โน่ที่นี่มันถูกวัฒนธรรมมันครอบงําไงเราไปก็นั่งทำนะแต่จริงๆแล้วคุณสู้ไม่ได้เหรอความง่วงนะ่ะจะดีขนาดไหนก็ตามถ้าหลับตาทำในเสร็จหมดนะ่ะมันไม่รอดเพราะโดยศักยภาพของเราเองเห็นไหมเวลาปล่อยปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้แต่ถ้าเดินนี่เราจะสู้ได้ เราก็เลือกเอาวิธีการเดินไงเดินสู้กับกิเลสเดินสู้กับความห่วงสู้ไปสู้มาล้วก็แค่เดินแล้วให้เรลยกรู้เฉยๆผู้ได้เจ้าสอนชีวิตประจําวันเพียงแต่เติมตัวรู้ลงไปเท่นั้นเองเติมความรู้สึกตัวลงไปเนี่ยแล้วทําให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ต้องทำจริ ง, จ, งนะจริงจังจังเน่ยจริงจังต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องบางคนจริงจังแต่มันไม่ต่อเนื่องบางคนต่อเนื่องแต่ไม่จริงจังไม่จริงใจ มันควจริงๆ จ, จริงใจต่อเนื่องแต่ต่อเนื่องในรูปแบบที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมานั้นถาว่าถามว่าเห็นผลได้ภายในระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนห้าวันเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันกลับไม่เกิดอะไรขึ้นมามันกลับไม่เกิดอะไรขึ้นมาอย่างเขบอกว่าเอาเลื่อยไม้นี่เลื่อยไม้วันนี้ถ้าดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาวางเลื่อยไว้ตัวนี้อะไรดึงไปดึงมาสองคน Kindern. ไม่ต้องกด ดึงไปดึงมาเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงมันขาดเราเดินมาจานอายุสามสี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยไม่เคยขาดเลยกีดีตแล้วเนี่ยทั้งที่เราบอกบอกว่าแต่ละคนก็มีสติทำงานด้วยสติหน้าทำอะไรมีสติของพุทธศาสนาเนี่ยแค่มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองสติระลึกอย่างถูกต้องเนี่ยเจวันก็บรรลุอรหันต์แล้ว ก็คือสิ้นทุกข์แล้วสิ้นพบสิ้นชาได้แล้วแต่เราขาดสติเราไม่มีสติเราจะเรียกว่าเรามีสติได้ไหมเพราะทุกข์มันไม่ดับมัมนไม่มีอะไรกระเทือนเลยแต่ปรับปรากฏว่าวันวันหนึ่งเราสะสมต um ัวอุปทานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นมาอาย want, kidney, ุเท่านี้ปีนี้โกรธขึ้นเท่านี้เกลียดขึ้นเท่านี้ความรักเกลียดตัณหาลาข้าไลสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรารู้สึกว่ายิ่งโตขึ้น เราก็ยิ่งออกจากทุกข์ไม่ได้ยี่งมีความผูกพันมากขึ้นมากขึ้นอา้าวแล้วคนมีสติทําไมต้องเป็นแบบนี้สติเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปสู่การเห็นอะไรทำความจริงอันนี้ยิ่งผูกยิ่งพันธยิ่งหนักแน่นไปเรื่อยแล้วเราจะเรียกว่าเราเห็นทุกข์ไหมเรามีสติไหมก็ไม่ใช่อีกแล้วทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้จริงๆนะอยากหนีอยากทุกข์ ต้องกล้าดูทุกอะไรเกิดขึ้นมันเป็นทุกหมดชีวิตประจำวันน็่ทุกหมดแม้แต่นั่งนี่ขยับขาขยับเขนเพราะอพะมันทุกนะเนี่ยทุกนั้นจึงขยับทุกนั่นจึงไปกินทุกนั้นจึงไปนอนทุกนั่นจึงตื่นมาเนี่ยที่ตื่นมามันทุกถ้าให้นอนนอนทั้งปีทั้งชาติได้ไม่ได้เป็นอําทุกอันพาดเป็นแผลกดทับอีทุกหน้าที่ต้องเดินเนี่ยกระพริบตาเนี่ยเป็นทุกนั่นจึงกระพริบ เป็นทุกข์นั่นจึงลืมตาและถ้าคุณทำทำโดยอาการที่ธรรมชาติของทุกข์ที่เป็นไปเนี่ยโดยบริสุทธิ์เวทยนาทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏจริงๆเนี่ยที่เราเฝ้าดูทุ ก, ท, กทุกข์กับญิบุเพื่ออะไรเพื่อต้องการเห็นทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นกับกายอันนี้แบบบริสุทธิ์ต้องการให้เกิดสติสัมปญะพัฒนาไปสู่ภาวะของสัมมสนญาา ให้เกิดยถาปูตยานให้เกิดสัจจานุโลมิกยานเห็นตามที่มันเป็นจริงตามหลักของอริยสัจอมันเป็นแบบนี้นะมันเกิดมันดับแบบนี้นะมันเป็นทุกข์แบบนี้นะพอเรารู้จักทุกข์เราก็าจะไม่หลงนะ่ะแต่ในนี้เราหลงประเด็นเวลาหิวเราวิ่งไปเลยตามเวทนาเลยนะเวลาคนว่านอนว่านี่มัน อ, นอดัดขัดเครื่องขึ้นมาเราไม่ได้รู้ทุกข์อันนี้เราไม่ได้ดูจนทุกข์มันสลายหายไป สติเรามันน้อยมันไม่เข้มแข็งเวลาเขาว่ามาเราก็ว่าคืนมันทําให้เราโกรธเราก็โกรธขึ้นนี่ฮะเพราะปัญหาทุกข์แล้วมันจะดับได้ที่ไหนโลกเนี่ยมันดับไม่ได้นะพอเรามองทุกข์ว่ามันเกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากเราเพราทุกข์มันก็ก่อกําเนิดเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกข์ก็มีมากขึ้นมากขึ้นเราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ ที่ว่ามันเกิดจากตัณหาเนี่ยเราเห็นไหมมันไม่เห็นน่ะอะไรนาะเหตุเกิดทุกนเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นนุ่น่ะเกิดจากสิ่งอื่นเกิดจากการไม่มีไม่เป็นเพราะเราไม่เห็นความไม่มีไม่เป็นในจิตเราไงเราดับตัวนี้ไม่ได้นี่โรอย่างเห็นไหมเราปฏิบัติทำพอได้เกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาสักหน่อยตัวนี่โรดนี่โรดคือความความดับทุกดับความห่วงแบน ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่นิโรธมันจะดับแบบถาวรพอมันปรากฏขึ้นแล้วมันอยู่อย่างนั้นเลยนะมันอยู่อย่างนั้นความงมงายความปรุงแต่งสกฤติอัตตาตัวตนพอเกิดรู้แจ้งมาแล้วมันหายมันหายไปเลยครณิวันนิโรธแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันดับไปอีกสมัยมันมาอีกหรือวันหนึ่งสองวันสี่วันห้าวันมันมาอีกคณิว่าการเกิดดับในรูปนาม นิโรธในน้อยถ้ามีร้อยเปอร์ซ็นต์าก็ได้สักสองสามเปอร์เซนตสี่ห้าเปอร์ซนตเนี่ยเราก้าลงสู่สัตว์จะทำหรืออริยสัตว์ของพุทธเจ้าแล้วเราเริ่มเห็นทางว่ามันมีจริงๆนะเนี่ยดับกว่านี้นี่เพียงแต่ว่าเอาไหมทีเนี่ยเห็นนิโรธบ้างแล้วเนี่ยเราจะทํามรดกนี่เหนปรากฏโดยสมบูรณ์ไห้รู้สึกตัวเนี่ยเราจะทํามันนี่ไหมจะเอาจริงเอาจังกับมันไหมเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ย เราเริ่มมีดวงตาเห็นแล้เห็นธรรมชาติของทุก์ที่มันดับได้เพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเลิกงมงายทั้งหมดเลยเขาชวนไปทํามโนุษย์อันนี้เราไม่ไปแล้วนะถ้าไปปฏิบัติทำตามหลักพุทธศาสนาวิธีนั้นวิธีนี้ถ้าวิธีไหนที่ทําให้ทำความรู้สึกตัวตัวพร้อมเลือกทําลายกิเลสอันนี้ได้เตราเอาเราจะเข้าใจเลยว่าทุกวิธีการที่จเจริญสติเนี่ยเพื่อดับกว่ น, นี้ถ้าเราได้ตัวรู้เลยเราไม่เกี่ยงว่ารูปแบบนะ แต่เราจะเกี่ยงว่าตัวรู้นี่จะจะโตจ ะ, จะเจริญได้ด้วยวิธีการแบบไหนที่ทําเนี่ยอันนั้นมันเอื้อเฟื้อไหมเอื้อต่อการเจริญสติให้ต่อเนื่องไหมถ้าเราไปนั่งแล้วมันง่วงมันเงามันวิธีการสวยงามขนาดไหนก็ตามมันไม่ได้เกิดสติเพื่อจะดับทุกข์อันนี้เลยบางทีแต่ถ้าคนไหนที่มีสติสัมปชนญญยเขาทําได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะหลับตาลืมตาอ่านแะม้วจะนอนจ ะ, อะไรเขามีสติเห็นอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วเขาก็ดับทุกข์ได้ แต่ถ้าอินทรีย์ระดับเราคนทํางานทําการเนี่ยมันถูกกิเลสมันทุบซะจนแหลกลานแล้วเราติดโน่นติดนี่มากมายเราจะมานั่งหลับเฉยๆเลยเลยลึกรู้นี่ไม่เกินสองชองั่วโมงมันเกิงห่วงกิงเงาเก็เบื่อก็ไหนก็ติดความคิดติดความปรุงแต่งแล้วสติเรามันไม่พอนั้นจะเห็นทุกข์สมุทัยนี่โรห์มักที่มันเป็นจริงๆเนี่ยทันยาก อย่างเวลาเราปฏิบัติทำเวลาเจริญสติพร้อมเกิดรู้เกิดโอภาสเกิดยานขึ้นมาเกิดภาวะแจ่มแจ้งดับความคิดความปรุงแต่งได้จิตมันว่างๆโล่งๆนั่นแหละคือความปกติปกติของมนุษย์คือเขาเรียกว่าศีลศีนแปลว่าปกติที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาดับทุกเน่ะคือภาวะนนั้นแหละไม่ใช่สีนห้าสีเปิดสีลภาวะที่ความปกติที่เราเห็นนะนแะหลังจากเห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตา มันเกิดขึ้นในจิตโอ้มาเกิดดับแบบนี้เนะี่ยความปกติอย่างนี้ความไม่มีอะไรมันปรากฏนีโอ้ศีนคือความปกติของจิตแบบนี้เราต้องไปเรื่มความปกติคือต้องเอาอันนี้ออกให้หมดก่อนเอาความปลูกแต่งความงมา่วงอ่อนใจจิตจะต้องเห็นจิตเดิมแท้ๆของเราว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละคือความปกติแล้วเราพอกบูนตัวปกตินี้ให้มากขึ้นรักษาปกติความมากขึ้นเมื่อใดที่เราเห็นทำที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าอย่างไม่งอนแง่นก้อนแคนเขาวควรพอกบูนอาการเช่นนั้นไว้ อเชวิกิต จ, จมาตะปังกูชัญญามารนังสเวเนะี่ยความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้เกิดมาแล้วไม่ทําให้จิตมันบริสุทธิ์สะอาดรู้แจ้งเนี่ยน่าสงสารนะชีวิต เ, เกิดมาดีกว่าสัตว์แต่ว่าไม่มีโอกาสมีโอกาสชีวิตดําเนินชีวิตเหมือนสัตว์พระพุทธเจ้าโอ้หน้าเสียดาย เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุท ธ, ธาศาสนาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ตัวพุทธในปรากฏไม่ทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยจำเป็นไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นอะไรก็ได้พอเกิดมาได้โอกาสแล้วก็ไม่ทำมันก็ต้องไปเกิดเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมอะชีวิตเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นอริยสั์ความจริงงินประเสริฐ ถ้าเราทําตัวนี้โอ้มันอยู่ตรงนี้นะความปกติอยู่แบบนี้นะความพ่อพูนไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นสมาธิสมาธิคือต่อเนื่องเนีลยระลึกรู้ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มมีแล้วคมมันก็มีแต่มันได้มีน้ําหนักเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วมีดวงตาเริ่มเห็นมาแล้วแต่น้ําหนักสมาธิมันไม่มีแล้วก็สะสมตัวรู้ขึ้นกําหนดรูม้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในที่สุดมันจะเข้าไปสปาร์คเห็นตัวเนี้ย แล้วมันจะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาแล้วภาวะที่มืดอยู่ข้างในมันจะทําเกิดการทำลายมาแล้วความว่างก่อน ม, มันจะว่างขึ้นเรืนะ่อยๆวันหนึ่งตัวเลือกรู้ตัวศีนี้ปรากฏอยู่นิดเดียวแต่พอรู้แจ้งว่ามันจะปรากฏนานเลยมาขยายออกจากาว่าเป็นอนัตตาไม่มีที่สิ้สุดเป็นประแบบปรมาตตมันนะมันอยู่ในจิตเราเนี่ย อ้ <eye S 2> ที่สั่งสมมาเกิดจากกิเลสตัณหาราคะอะไรที่มันสะสมมันมากมายหลากหลายมาแต่ตัวตนมันครอบงาแต่เราสลายนี้ได้โอ้ภาวะที่ปรากฏอยู่อย่างนี้เนาะเนี่ยนั้นศีลสมาธิปัญญาถ้าเราศึกษาถูกมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่เราก็บอกเรามีศีลมีสมาธิมีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตาชี้ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่นวนไม่ดีมันไม่ใช่ศีลแบบปรมัดอันนั้นไม่เป็นศีลสมมตินะฮะบาคนละอันกันศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบ ความโลภโกรธลงเนี่ยถ้าเรามีตัวปกติถ้าเราเห็นตัวนี้ปุ๊บมีศีลตัวนี้ปรากฏขึ้นตัวนี้มันก็หายไปแต่ใีนี้เรามีแต่เราก็กโกรธโลภหลงแล้วก็มีศีลอยู่แต่คือมันคนละอันคนละภาวะนะพระเจ้าท่านสอนเรื่อง อ, ธ, ธ, อธิศีลสีขาอธิจิตต์อธิปัญญาสิกขาแต่เราก็สอนศีลแบบกันตื้นตื้นแบบจริยะเ ร, เราไม่ลงหลักถึงเรื่องของปรามาัทิตยสัจนั้นพุทธธรรมจึงไม่สามารถที่จะนวยประโยชน์ให้กับชีวิตมนุษย์ได้จริงๆ ทั้งที่พระพุทธเจ้าลงทุนไปค้นพบมาหมดเวลาทีห้ากลับบ้านได้รถมาทีห้าเค่งเทศต่อรถมาหรือยังเยอะมาตื่นสายมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราฝากไว้สักประโยคนะ เขียนติดไว้หน้าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวพุทธวิธีเข้าใจตนเข้าใจคนเข้าใจงานส่วนมากเราอยากเข้าใจงานนะแต่ไม่เข้าใจตัวเองมันต้องเข้าใจตนมาก่อนเข้าใจตนแล้วค่อยเข้าใจคนแล้วค่อยเข้าใจงานพอเราทำงานกับคน คนจริงๆก็เหมือนเรานี่ยแหละถ้าเราเข้าใจเราวิเคราะห์ตัวเราเองออกคนอื่นความอยากเขาเหมือนๆกันแหละเรารู้วิธีปัน่นราคะโทรสามวัวหายหเกิดในจิตเราได้เท่าไหร่ปั่นหุ้นก็แบบนั้นแหละอปั่นเงินปัน่นธุรกิจปั่นความอยากคนอื่นเนี่ยประมาณเดียวกันจะหาเงินง่าย <c oughs> ลุงตาก็ มาช่วยนะถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่มาช่วยกันช่วยกันช่วยคนเกือจะมีคนที่ที่เขาตั้งใจอยากศึกษาอันนี้ในนี่พูดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าจะมีคนไหนจะเอาไปปฏิบัติต่อก็ดีถ้าไปฝึกฝนอบรมที่ไหนถ้าไม่มีคนได้อารมณ์หรือเข้าใจตัวเองขึ้นมา มันสีเวลาผู้มาและเสียผู้มาสอนคือถ้าไปแล้วทํำเล่นๆหัวหัวลงตาไม่ค่อยไป <c oughs> อย่างงานปฏิบัติทำไม้แต่วิธีการนี้ก็ทําที่โน้นที่ น, น, นี่ที่เขาฝึกสอนกันที่ น, นีนน่แต่นนี้บนไปลงตาดูงานแล้วไปแล้วไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์นะ่ะคนเยอะจริงอนะ่ะแต่ลงตาไม่ไม่ได้ไปจะไม่ไปขี้เกียจไปก็บอกว่าโอ้ยขี้เกียจไป ที่เหยียดไปคือมันไม่มีผลนะไปทําไมถ้ามันไม่มีผลเพราะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปต้องการชื่อเสียงเลยก็ไม่ได้ต้องการลาภยสศสารเสด็จไม่ต้องการเป็นไว่าเออพอไปแล้วได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์อย่างเราเราจะไปประโยชน์ก็มีอย่เดียวคือต้องต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะเรื่องปัญญาเรื่องอะไรแบบพุทธะนี่เกาฝากไว้นะพวกเราทั้งหลายผู้มีหน้าที่ในการ เกิดมาเป็นมนุษย์ต้อช่วยกันหน่อยช่วยกับพื้หน่อยช่วยทําให้คนทั้งหลายทั้งปวงตื่นตัวกับการที่จะต้องฝึกสติเพื่อรักษาจิตตัวเองเนี่ยเพื่อให้เห็นข้างในเนี่ยเดี๋ยวนี้การศึกษาข้างนอกมหาวิเลยนี่โอ้ยเขาตั้งกันเยอะแยะเลยสถา น, นักศึกษาเต็มไปหมดทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลทั้งรัฐนี่แต่ไม่มีสถาบันที่ศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน สถาบันศึกษาเรื่องอภิธรรมคำภีโน้นคำไปนี่ก็มีมากมายหมายวิเลยส่งโอ้ยใหญ่โตขึ้นไหมวเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสที่จะทำเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงเป็นจังฝากไว้ให้กับเรานี่แหละพี่เป็น เ, เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราอยากเห็นสังคมนี้ดีสังคมวิ่งามอย่าในน้อยสังคมเราไอ้ที่อยู่ข้างๆเรานะั่นนะใคร ถ้าอยากให้มันสงบนะตัวเราเองก็ทําให้มันสงบซะตัวเราเองมันเบามันสงบและสังคมทุกอ่างมันดีแล้วก็ให้เขาปฏิบัติทำให้เขารู้จักตัวเองขึ้นมาถ้าต่างคนต่างสงบคนนี้ก็สงบคนนี้ก็สงบคนนี้สงบเวลางานออกมามันก็จะออกมาดีต่างคนต่างสงบแล้วทํางานมันจะดีสังคมมันดีอ้าวประเทศประชาติบ้านเมืองก็จะเริ่มดีขึ้น สังคมก็เริ่มจากครอบครัวนี่แหละหรือคนข้างตัวใกล้ๆปฏิบัติทำร่วมกันนะแั่นไม่จะสงบหรอกเราไม่ต้องมองไปไกลคนโน้นคนนี้ไปคนใกล้ๆตัวเพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรประมาณนั้ น, นช่วยกันมันไมมีอะไรหรอกที่ได้มาแบบง่ายๆเพชรเนี่ยเป็นของมีค่ามากเพราะมันหายากมันเอามายาก น, นั้นการที่จะได้นิพพานหรือได้สติสัมปชัญญะหรือได้อะไรที่เกี่ยวกับการดับทุกข์จริงๆเนี่ย จะทำแบบหยดๆใหญ่ๆทำเล่นๆหง่วงหัวแล้วมันจะได้มันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้นะแต่รูปโป่งหรือเพื่อจะได้เป่าเทบแก้มตุ่ยนะติมาโอ้เยี่ยมเพื่อจะได้มาสีสันมันแค่เห็นแค่นั้นน่ะเพื่อจะได้รูปลดกลิ่นเสียงท่านทัง้งหลายก็เอาจริงเอาจริงการศึกษาทั้งโลกเนี่ยทั้งที่เป็นไปเพื่อตุกเพื่อหายอยู่หากินเลี้ยงกายเนี่สี่ปีนะปอตีก็เอาจริงเอาจริงมากก็จะได้มาแต่นี้มาปฏิบัติทำสามวันหน่าวันเถิดวันยังไม่มีเว ล, มมลาเวลา สมควรแล้วละ่ะที่จะอยู่กับทุกข์นะอันนี้แล้วโอ้ยทาไมเป็นทุกข์เมื่อวานคุยกับคนคนหนึ่งเขาทํางานอะไรออกแบบอันนั้นอันนี้นะทุกข์มากนอนก็อก็หลับคิดมากเจ้านายกดดันแบบนั้นมปนี่เป็นทุกขนะ์นอนก็ไม่หลับเป็นทุกข์นะถามว่าสงสารไม่ธรรมดา นะรปรึกษาก็มีโยนเชือกให้เส้นหนึ่งไปไปทำอัตตาวินิบาทกรรมชีวิตก็คือประมาณนั้นคือถ้าเราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ชีวิตมันจะอยู่ง่ายๆสบายๆเชือกก็คือสตินั่นแหละลองไปใช้ดูดิใช้พัฒนาตัวเองทีผูกใจตัวเองไว้ให้อยู่ไม่ใช่ให้ผูกคอนะ ปูกใจตัวเองไว้ให้อยู่เพราะว่าใจมันออกไปมันสำคัญมันไหมานนี่เราเราไปเรียนรู้ดูฝึกสติเอาที่เอาจังบ้างเถอะผ่าตัดตัวเองไม่ได้โรคของเราทั้งหลายทั้งปวงปัจจุบันนี้มันถึงขั้นผ่าตัดแล้วไม่ใช่วิปัสนาแบบยามองยาดมไปทำไ้เล่นหัวหอะไรไปปล่อยควายมีนะหลายคนปล่อยควาย ไปปล่อยวัวปล่อยควายก็คือไปปล่อยความโง่หน่อแหละเขาบอกปล่อยควายสักคุจะดีขึ้นปล่อยควายเขาสอนนะวันทีเขาก็ให้ไปปล่อยเต่าปล่อยเต่าก็คือปล่อยความปล่อยโมหานั่นแหละโง่เง่าเต่าตุนนะปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนเหมือนเดิมมแหละมันไม่ยืนหรอกแล้วบางทีเขาก็ว่าให้ไปปล่อยเอี่ยนปล่อยเอี่ยลรู้จักนะว่าไหล ไปปล่อยปลาไหลแล้วการงานมันจะลื่นไหลไม่ติดว้าไปงั้นแหละเห็นไหมไปหาหมอดูหมอดำก็บิงเราก็ได้ปล่อยแล้วรู้สึกใจสบายวันนี้ก็ปล่อยนกให้มันโผผินบินไปบนอากาศใจล้วก็จสบาย ม, ามันไม่บินห้อกเหมือนเดิมตกมากลับมาเห็นหน้าเหมือนเดิมอีกแล้วมันยุ่งเหมือนเดิมจะเป็นอุบายหน่อยๆทาไมเราไม่ทําเลยเนี่ยตัดเชือกเนี่ยตัดตัวตันหาที่อยู่ในตัดซ ะ, ซ ะ, ซ ะ, ซะเลือนนี่ก็จะวิ่งไปได้แบบฉุยเลยและ ยอมมาหน่อยขยันหน่อยปฏิบัติธรรมหน่อยลหลายๆคนไปปฏิบัติธรรมกุหลงตานี่ในนี้ก็มีนะเห็นหลายบริษัทนะเจ้าของอตัดชุยเลยบริษัทจนเลิกเลยปฏิบัติธรรมแล้วนะเลิกบริษัทเหลือแต่ปฏิบัติธรรมหากินเล็กเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกน้อยๆไปคอยกินข้าวกล้วัดกระพาะไปวันวันบางทีกามีไม่นึกว่าจะทำแล้วมันทุกชีวิตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงไปก็ได้ มาเลยจะเลี้ยงให้ถ้าตั้งใจจริงจริงบินรบาดเลี้ยงก็สู้ได้อยู่หรอกนะแต่ถ้าคิดว่าโอ้ไปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตแล้วมาทํากับการกับงานก็ดีอะ่ะสังคมมันก็ดีขึ้นอนะยากให้สังคมนี้มีแต่สังคมที่คนมีสตินะมีสติเป็นเพื่อนสติเป็นเพื่อนสติเป็นเพื่อนนะครับ